บัดนี้จะแก้ไขในบทสมาสมาธิต่อไปและในบทสมาสมาธินั้นมีลักษณะสองประการคือปาโมคขาลักษณะหนึ่งอวิเเคปนาลักษณะหนึ่งปาโมคขาลักษณะสมาสมาธินั้นเป็นประธานแก่กุศลธรรมทั้งหลายอุปมาดุดยอดกูตาคานประสาทอันเป็นประธานแก่กรทั้งหลาย เหตุดังนั้นพระนาคเสนเทราเจ้าจึงอุปมาถวายแก่สมเด็จพระเจ้ามิลินทราชว่าดูก่อนบวพิษพระราชสมภารกอนทั้งหลายแห่งกูตาคารปราสาทนั่นแหละมีเท่าใดกนทั้งหลายนั้นก็ย่อมมียอดกูตาคารปราสาทเป็นประธานกอนทั้งหลายก็น้อมไปโอนไปเงื้อมไปสู่ยอดกูตาคารประสาทอันเป็นที่ประชุม ยอดกุตาคารประสาทนั้นเป็นอันล้ำเลิศประเสริฐกว่ากรอนทั้งหลายนั้นอุปมาฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นย่อมเงื้อมไปโอนไปน้อมไปในส ม, มาสมาธินั้นและส ม, มาสมาธินี้เป็นที่ประชุมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีอุปมาดุดยอดกูตาคารประสาทนั้น อวิเเคปาลักษณะสมาสมาธินั้นมีสภาวะยังทำทั้งหลายให้บังเกิดด้วยสมาสมาธินั้นมีให้ฟุ้งร้านด้วยอุทธจัและให้ตั้งอยู่เป็นอันมั่นคงในอารมณ์อันเดียวเหตุดังนั้นจึงอุปมาดังนี้ชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทิราชเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปสู่สงครามยุทธนั้น ก็ทอยพระเนตรแลดูเสนาทั้งหลายทั้งปวงปรัณเห็นเสนาย่อย่อนในสถานที่ใดก็เสด็จไปในสถานที่นั้นยังเสนาบดีให้บริบูรณ์แล้วก็ยังเสนาผู้อื่นให้แตกไปแล้วก็ให้ประพฤติเป็นไปตามอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ที่ราชนั้นแลมีอุปมาชันใดสั ม, มาสมาธิอันชื่อว่าอาวิเคปนาลัคนะ เหตุว่าสัมมาสมาธินั้นมีให้กุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดนั้นฟุ้งซ่านเรียรายไปด้วยอุท ธ, ธจจะจะให้ครอบงมอุท ธ, ธจจะเสียแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวตามอำนาจแห่งสัมมาสมาธิอุปมาิดุดพระมหากษัตริย์ที่ราชนั้นสัมมาสมาธิอวิเคปนาวเสนะเอกาวิโท สัมมาสมาธินั้นมีประการหนึ่งด้วยอำนาจแห่งสภาวะมิได้ฟุ้งซ่านไปนั้นอุปจาระอัปนาวเสนทุวิโทสัมมาสมาธิมีประการสองด้วยอำนาจแห่งอุปจารสมาธิและอปนาสมาธิีนามาชิมะปนิตาวเสนาติวิโท สัมมาสมาธิมีประการสามด้วยอำนาจแห่งหีนาสัมมาสมาธิและมาชิมะสัมมาสมาธิและปณิตตาสัมมาสมาธิทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาที่ว่าเสนะจะตุกพิโทสัมมาสมาธิมีสี่ประการด้วยอำนาจแห่งทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาหนึ่ง สุขาปฏิปทาคิปปาพินยาหนึ่งสุขขาปฏิปทาทันทาพินยาสมาธิหนึ่งสุขขาปฏิปทาคิปปาพินยาสมาธิหนึ่งปัญจมัชานังขเวเสนะปับพาวิโตสั ม, มาสมาธิมีประการ5ด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานสมาธิหนึ่งทุติยฌานสมาธิหนึ่งตัติยฌานสมาธิหนึ่ง จะตุทถฌานสมาธิหนึ่งปัญจมาฌานสมาธิหนึ่งประเภทแห่งสมาสมาธิมีหประการด้วยประการดังนี้แก้ไขในบทสมาสมาธิเป็นองค์แห่งอริยมรรคมรบ8เสร็จแต่เท่านี้